ไม่มีใครเต็มใจเกิดมาแต่เกิดแล้วต้องเรียนวิธีเต็มใจมีชีวิตตอนอยู่ในท้องไม่มีใครถามคุณว่าอยากเกิดมาทำไมอยากเกิดมาไหมตอนออกจากท้องมีคนสอนคุณว่าพ่อแม่ให้เหลือดให้เนื้อมามีพระคุณล้นฟ้าเหลือขนานับตอนเจอความเจ็บปวดในชีวิต บางทีคุณก็คิดโทษพ่อแม่ที่ทำให้ต้องเกิดมาเป็นอย่างนี้ตอนได้รับความภูมิใจในชีวิตคุณถึงคิดอยากอวดพ่อแม่ให้พ่อแม่เห็นว่าตัวเองมีดีแค่ไหนตอนโตขึ้นคิดเองได้บางคนเท่านั้นที่มาถึงจุดย้อนมองตัวเองพบว่าถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่มีอะไรเลย ตอนพบพระศาสนาที่สอนว่าสวรรค์ไปทางไหนนิพพานไปอย่างไรคุณค่อยทราบซึ้งถึงเนื้อแท้ว่าพ่อแม่มีพระคุณเพียงใดตอนรู้จักธรรมะของพระศาสดาที่สอนว่าพ่อแม่ที่แท้จริงคือพ่อแม่ที่เป็นต้นกำเนิดจิตวิญญาณการที่เราต้องเวียนไหวไปเกิดกับพ่อแม่คู่นั้นคู่นี้ก็เพราะไม่รู้เพราะหลงทยานไป เราะหลงก่อบุญก่อบาปนานาเมื่อบุญมากกว่าบาปก็มีสิทธิ์เกิดกับพ่อแม่ดีๆเมื่อบาปมากกว่าบุญก็ต้องเกิดกับพ่อแม่ร้ายๆถึงตรงนั้นแหละที่คุณจะเต็มใจมีชีวิตด้วยการคิดเลือกเส้นทางธรรมให้ตัวเอง 1. คือละบาปจะใช้ชีวิตนี้ละไหม 2. คือบำเพ็ญบุญ จะใช้ชีวิตนี้บำเพ็ญไหม3คือเจริญสติจนกระทั่งเกิดสติแก่กล้าพอจะลอยบุญลอยบาปได้จะใช้ชีวิตนี้ทำสติให้เจริญไหมแต่ละการเลือกคือความรู้สึกว่าตื่นขึ้นจากการหลับไหลเลือกใช้ชีวิตแบบวุวนหลงทางเมื่อตื่นขึ้นถึงจุดหนึ่งคุณจะพบกับความเต็มใจมีชีวิต ที่มีอาจพบจากการใช้ชีวิตแบบโลกๆทายเดียว